2. อัญญาณกถาว่าด้วยความไม่รู้314สิ่สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สอก อ, อวิชาอาวิชโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอาวิชาสังโยตอวิชานิวรของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหม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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่และอวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชตอวิชานิวรณ์ของปุถุชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่และอวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะ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 สกความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่แต่อวิชชาอาวิชโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยอวิชานสังโยตอวิชานิวรณของปุถุชนไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกพระอรหันต์ถูกความไม่รู้ครอบงำจะพึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสดมปร้นเรือนหลังเดียวดับปล้นในทางเปลวผิดพัญญาของผู้อื่นปร้นชาวบ้านปร้นชาวนิคมใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนถูกความไม่รู้ครอบงำจึงพึงฆ่าสัตว์พึงลักทรัพย์พูดเท็จปล้นชาวบ้านปร้นชาวนิคมใช่ไหมปอรอใช่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 สกความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนถูกความไม่รู้ครอบงำแล้วไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่ปล้นชาวบ้านไม่ปล้นชาวนิคมใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่รู้ของพระอราหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกความไม่รู้ในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขา ในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่รู้ในระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลาย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 ความไม่รู้ของปุถุชนมีอยู่ความไม่รู้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ความไม่รู้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี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 เกิดึ้นต่อไปไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมบรใช่สกพระอรหันต์เจริญมักเจริญโพชฌงเพื่อละราคะใช่ไหมบรใช่สกหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงเพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เจริญมัจเจริญโพชฌงเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนุตตะปะใช่ไหมป ร, รใช่สกหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงเพื่อละอนุตตะปะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สก ความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งทำที่ควรทําไม่แจ้งแล้วใช่ไหมปรใช่สกหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สามสิบห สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีสกความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความไม่รู้ของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 แต่ความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญโพชงเพื่อละราคะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญมักเจริญโพ้ชงเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละโนตตปะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นจเจริญโพ้ชงเพื่อละโนตตปะความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความไม่รู้ของพระอระหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคาพระอรหันต์ผู emy, ้ฉลาดในธรรมอื <music> ่นละได้แล้วความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะโมหะอโนตปะ พระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื <sabes> ่นละได้แล้วความไม่รู้ของพระอระหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกอนโนตปะพระอราหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วความไม่รู้ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญมากเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะ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 ความไม่รู้ของพระอระหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมป ร, รใช่สกพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโ squeeze. ทสะโมหะทำไม่แจ้งทำ ท, ที่ควรทำไม่แจ้งแล้วความไม่รู้ของพระอระหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามอยสิบเจ็ดสกความไม่รู้ของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่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 ความไม่รู้ของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุททั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์ นิทุกขสมุโทัยนีิทุกขนิโรธนีิทุกขนิโร ธ, โรธถ้าคาไม่มีปฏิปทาเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สก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 ความไม่รู้ของพระอาหารหันต์มีอยู่สกความไม่รู้ของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมบ ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละทำสามประการคือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามาศได้อย่างสิ้นเชิงแล้วพร้อมกับการบรรลุโสดาปติมัติพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทําอภิฐานหก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 ความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ปรท่านไม่ยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรพระอรหันต์ไม่รู้ชื่อและโคดของสตรีและบุรุษไม่รู้ทางและไม่ใช่ทางไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากพระอรหันต์ไม่รู้ชื่อและโคดของสตรีและบุรุษ ไม่รู้ทางและไม่ใช่ทางไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ดังนั้นท่านควรยอมรับว่าความไม่รู้ของพระอรหันต์มีอยู่สกพระอรหันต์ไม่รู้ชื่อและโครของสตรีและบุรุษไม่รู้ทางและไม่ใช่ทางไม่รู้ชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นความไม่รู้ของพระอรหันต์จึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สอกอพระอรหันต์ไม่รู้โสดาปติผลสกะทาคามิผลอนาคามิผลหรืออารหัตผลใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัญญนกปทาจบ คั่งขากรถาว่าด้วยความสงสัย 18, สามร้อสกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธาน วิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณของพระอรห<ๆ>ันต์ไม่มีท่านก็มีควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกความสงสัยของปุถุชนมีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธาน วิจิก no ิจฉาสังโยชน์วิจ like ิกิจฉานิวรณ์ของปุทชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกความสงสัยของผุุ้ชนมีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ของผุุ้ชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความสงสัยในปฏิจจสมุปาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยทำนี้จึงมีของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ความสงสัยของพระอรห ah ันต์มีอยู่สกความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ความสงสัยรรรในพระศาสดาในพระธรรมความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรม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 ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สอกอความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สอกอโทสะโมหะอโนตปะพระอรหันต์ละได้แล้วเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอนโนตปะพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วมิใช่หรือ ปอรอใช่สกหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทาให้แจ้งทาที่ควรทาให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สามอยี่สิบสกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ ความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีสกความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมปรใช่สก ความสงสัยของพระอารหาันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโทสะโมหะอนตตะปะพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วเจริญมรจเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนุตตะปะพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่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 ราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วความสงสัยของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอโทสะโมหะอโนตปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วเจริญมัคเจริญโพชฌงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอโนตปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะ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 ปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาชวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาชวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาชวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุขทั้งหลาย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 สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายคำหนักไม่ละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกษ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 พระโสดาบันละทำสามประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิชฉาและศีลปะตะปรามาได้อย่างสิ้นเชิงแล้วพร้อมกับการบรรลุโสดาปิมกักพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทำอภิธานหกมีอยู่จริงมิใช่หรืออรอใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สอกอ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 อริยสาวกย่อมละสังโยชน์ได้สามประการคือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามาสมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกําจัดมารและเสนาเสดายโดยพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาส่งท้องฟ้าให้สว่างสวัยฉะนั้นความสงสัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอื่นที่มีในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นบุคคลผู้เพ่งพินิษมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อยู่ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นทั้งหมดได้ทานที่ให้แล้วแก่ บ, บุคคลผู้ข้ามความสงสัย ผู้หมดความสงสัยผู้ปราศจากความสงสัยทั้งที่คนทั้งหลายยังมีความสงสัยอยู่ย่อมมีผลมากการประกาศธรรมในธรรมวินัยนี้เป็นเช่นนี้ไม่มีพระสาวกรูปใดจะสงสัยอะไรในการประกาศธรรมนั้นเลยพวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนทรงข้ามโอคะได้ทรงตัดความสงสัยได้แล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปรใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ปรท่านไม่ยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ปรพระอรหันต์พึงสงสัยในชื่อและโคดของสตรีและบุรุษในทางและไม่ใช่ทางในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ไม่ใช่หรือ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 ดังนั้นความสงสัยของพระอรหันต์จึงมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระอรหันต์จะพึงสงสัยในโสดาปัิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกางขาคาถาจบ วิตารณะกะถาว่าด้วยการรับคําแนะนําจากผู้อื่นสา2ร้อ่สอกอการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ถูกผู้อื่นนําไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นโง่เขลาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอรหันต์ไม่ถูกผู้อ ouais ื่นนําไปไม่ถูกผู้อ um MM ื่นจูงไปไม่อาศัย pues ผ si ู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขลาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นมิใช่หรือบรใช่สกหากพระอรหันต์ไม่ถูกผู้อื่นนําไปไม่ถูกผู้อื่นจูงไปไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขลาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีอยู่สกการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของปุถุชนมีอยู่และเขาถูกผู้อื่นนำไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผ paint ู้อื่นเกาะผู้อื่นอยู่โง่เขาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมปรใช่สกการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีอยู่และท่านถูกผู้อื่นนำไป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 การรับคําแนะนําจากผู้อื่นในเรื่องพระศาสดาในเรื่องพระธรรมในเรื่องพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายในปฏิจจสมุปาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกการรับคาแนะนําจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรม ในปฏิจจสมุบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจใจธรรมนี้จึงมีของพระอรหันไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจใจธรรมนี้จึงมีของพระอรหันไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการรับคาแนะนาจากผู้อื่นของพระอรหันมีสก การรับคำแนะนำจากผู้อ e ื่นของปุถุชนมีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว in ่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจใจธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นมีใช่ไหมปรใช่สกการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีการรับคาแนะนาจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว่า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 การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของปุถุชนมีอยู่และการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าพระธรรมนี้เป็นปัจใจธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส2 3ยี่สิสากการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมปรใช่สก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 การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีสกการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมป ร, รใช่สกโทสะโมหะอโนตปะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะ เพื่อละโทสะเพื่อละอนุตตะปะมิใช่หรือสกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำได้ควรทำไม่แจ้งแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มี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 สกการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกราคะพาระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่การรับคำแนะนาจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละราคะได้แล้วแต่การรับคำแนะนาจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะโมหะอนโนตปะ พระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอนโนตปะเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ ส, สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะ โสะโมหะทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้วแต่การรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอาหารหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกราคะ ER พระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วการรับคําแนะนํา YEAH. จากผู้อื่นของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรอร์ใช่สกกราคะ ER พระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้ว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 พระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ ข, ของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ ข, ข, ของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็น э เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์นิทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี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 ปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละทำสามประการคือหนึ่งสักกยทิฐิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามาได้อย่างสิ้นเชิงแล้วพร้อมกับการบรรลุโสดาปฏิมักพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทำอภิฐานหกมีอยู่จริงนใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้น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 สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปติมักอริยสาวกย่อมละสังโยชน์ได้สามประการคือจักรยทิฐิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามามีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีสอกอ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 ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีปรท่านไม่ยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมสกใช่ปรผู้อื่นจะพึงแนะนํานามและโคดของสตรีและบุรุษทางและไม่ใช่ทางชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าแก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมสกใช่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 ดังนั้นการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์จึงมีใช่ไหมปรใช่สกผู้อื่นจะพึงแนะนำโสดาปติพลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลแส่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวิตราระถทาจบ